เราก็นั่งปฏิบัติธรรมกันหลังเราจบเมื่อกี้เราตรวดอริมั ก, ม, กมีองแปดวันนี้ได้ได้มีโอกาสไปปฏิบัติธรรมกันทั้งวันเราคงจะได้เห็นขนทางมักหรือข น, นทาง ความชอบทำแล้เกิดความชอบชอบที่จะมีลมหายใจเข้าออกเห็นลมหายใจมันเข้ามันออ ก, ออกชอบก็เรียกว่าอาณาปานสติเ <giving> ห็นไกลต่างความเป็นจริง อาณาปานาสตินะเป็นบพเป็นปพะเป็นฉบับเมืราเดินทางไปจต้องมีนิมิตก็เอาไว้ไม่หลงติดหลงทางเรเคลื่อนมืออยู่ก็เห็นลมหายใจบางคนก็เห็นอย่างนั้นอนะ่ะตัวชีวิตพลังชีวิตชีวิตมีอยู่ต้องหายใจความเป็นเองถึงการเคลื่อนไหวนะเจตนากระทำ ทีมีการเดินมีการยืนมีการนั่งมีการนอนนั่งถ้าเราดูเร า, าหายใจมันก็เป็นความเป็นเองแต่การเห็นการเคลื่อนไหวที่เราเจตนากระทำยกมือ14บ่ชั่ววันี้เป็นเรื่องของสัมพันย์ปั๊บพระนั่งเดินยืนนอนเป็นเอียบปั๊บพระ เห็นอาการต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายเดี๋ยวจะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวอ่อนเดี๋ยวแข็งดื่มน้ำเดี๋ยวปัสสาวะเดี๋ยวอุจจาระเดี๋ยวรับประทานอาหารอันนี้เป็นปฏิคูลเอาเข้ามาของดีออกไปของเสียเป็นปฏิคูลผณพระพา วัาอ๋อนี่คือทางเดินตัวจิวิญญาเราเริ่มเห็นแจ้งในตัวเราตาตน้ำธาดไฟตาดดินธานลมเราได้สัมผัสลมหายใจเข้าลมหายใจออกการเคลื่อนการไหวเป็นลมในช่องว่าง เป็นธาตุมนัสการปัจภาคยู่ในโสมนัสการทำใจอยากอย่างแยบกายเห็นธาตุของเรากับพัะดูตัวเองก็ต้องเห็นตัวชีวิตประกอบด้วยก่อนธาตุธาตุน้ำธาตุไฟธาตุดินธาตุลมธาตุรู้ธาตุว่างจิตธาตุรู้เอาธาตุว่าง เรามีท่านหลงธาตหลงส่วนใหญ่เป็นเรื่องของสัญชาตยานถ้าใสัญญาตยานนําก็หลงออกไปแต่เป็นเรื่องของสติปัฏฐานก็กลับเข้ามาไม่หลงออกไปกลับก็ามาเห็นตัวเองมจะมีสิ่งที่เราได้รู้ได้เห็นมากมายมาเดินทางอาริยมากมีองค์8ด ทางการผลทุกข์คนทางเอ๋อคนทางเดียวสู่การรู้แจ้งต่างๆนะมันยังมีอีกประพัะต่างๆเกินนวสีวติกามนจิการปรพรัพะเชื่ อ, องฟังยากเรียกยากแต่หมายถึงว่าอาสุภานั่นแหละดูจกสิบระยะ ของเรคือร่างกายของเรานะยังมีชีวิตยอยู่มันก็ตายอยู่ทุกๆขนาอยู่แล้วเดี๋ยวเซลล์ก็ตายอาบน้ำถุกายครับเป็นก้อนเลยบางทีก็เล็บยาวต้องตัดทิ้งไปมก็คือการแก่เจ็บตายนะที่มันเป็นระยะของมันผมยาวบางทีก็เห็นคนตายนี่แหละ ตะวันก็ยังสวยดีวันนี้ก็หมดลมหายใจเริ่มเขียวเริ่มพองเริ่มอืดตาเหลือกตาตลนปากอ้าน้ำลายเยืดลิ้นแลบออกมายิงศพผูกคอตายในดูไม่ได้ตาตนลิ้นจุก ป, ปากไม่นานนักนอนโยเ ย, เ, ยเคยเผามาหลายศพนอนไต กินตามงามนิ้วงามมือ ง, งามเท้าหนอนมแมลงวันทีก็ปากมุมปากมีนอนเยอะเยียรู้จมูกเต็มเลยมีแนอนตางนั้นดูแลก็ปร่งไปเลย น, นี่คือเรืหนะของสุภาไทยสุขระเปากระดูกกระจัดกระจายเป็นขี้เท้าไปดินสู่ดินน้าสู่น้ำลมสู่ลมไฟสู่ไฟ ก็เป็นปักพระที่ดูกายก็ต้องเห็นอย่างนี้แหละส่วนก่อนมันก็ไม่ใช่เราหรอกแต่ทาไมไดมานั่งดูไม่ได้เดินทางสู่อริยมรรคก็ไม่เห็นอย่างนั้นเหรอเห็นไปสุกสวยเลยดีใจ ช, ชีวิตยังหลงโลกเลยหองสุข เวลามีทุกขจมทุกอมทุกไปเลยแต่พอเรามาฝึกสติเจารสติเราก็เห็นทุกกายอยู่ที่กายจิตใจมันก็คือเวทนาเหมือนกันแต่ว่าแม้มันเป็นสุขเป็นทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์มันก็มีปกติอยู่รู้สื่อเสื่อรู้เฉยเฉก่อนรู้แล้วไม่เฉยรู้แล้วมันก็ไปอยู่รู้แล้วก็บวกรู้แล้วก็ลบ มีทบุญทะาบาปเต็มพื้นที่ของจิตของใจตอนนี้เราเห็นแล้วอ๋อมันมีทา่ารู้ทาาว่างอยู่เ mm hmm. วทนาปัพจะ mm hmm. เห็นจิตของเรามีโทสะมีโลภะมีอาการต่างๆบางทีก็เป็นลักษณะของวิมุตติหลุดตน นงทีกำมุดเข้าไปอยู่เป็นมุดตกะตกะตการไปเลยในอารมณ์ตกะมันไม่วิมุดเป็นมุดตกะอย่างพระสงฆ์นี่ยังไม่ถึง5าา้าภาษาเป็นนิสัยมุดตกะมุดไปกาอารมณ์ต้องฝึกเต็มที่ทวนทวนออกมาเพื่อให้เกิดความเป็นอนุตตละ ไม่ใช่สอตตรละนะสุตตะลัอุจจาระสิ่งเดียวกันเหม็นอนุตละลักพ้นไปเลยวิมุตเป็นแดนของโล ก, กุตตะธรรมไม่ใช่แดนโลกยาาิยธรรมอันนี้ก็ต้องใช้กรอบอีกมากมายแล้วกิน ขอของกัลยาณมิตรขอบของครูบาอาจารย์ขอบของกฎกติกาของชุมชนขอบของพระวินัยขอบของนิตินัยเดี๋ยวนี้ประสงค์ก็จะในข่ายของกฎหมายเถียงกันดิปรับอาบัติไม่ได้ก็ฟ้องกันแจ้งตำรวจจับศึกกันมันก็มีมากมายแล้วเดี๋ยวเนี้ยเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาเมื่อก่นเรื่องแปลกเพราะคือหลงพึงสารทะเลาะกัน ก้ตกลงในวงปฏิโมกข์ไม่ได้พวกมากลากไปก็เอาความยุติธรรม ท, ทางสังคมเข้ามามันก็เลยเป็นเรื่องที่จะต้องศึกษ า, ากันอย่างเต็มที่เรียกว่ามีความรู้สึกตัวนี่ต้องไปสนใจแล้วกรอบมันจะเป็นยัางไงมนก็อยู่ในมรรคอยู่แล้วองค์ของมรรคสมาสติสัมมาสมาธิเกิด มันก็จบที่เราจบที่เราจบที่เราอาภายัยอาภายัยอาภายัยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วก็แล้วไปแล้วก็แล้วไปไม่ถือสาหาความอาภายัอาภายอภัยอนโมทนาแทนที่จะเป็นอิสาลิษยาสาธุสาธุสา ธ, สาธุมันก็เปลี่ยนไปเห็นจิตในจิตไม่ใช่สัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาไม่ถือสาหาความ อารมเกิดขึ้นมาเกิดดับเกิดดับเกิดดับเราไม่ได้เห็นว่าสมมติบรรดาต่างๆมันเป็นเรื่องที่เราเอาเป็นเอาตายกัน mm hmm. มันก็สมมติลมเย็นมาดูจิตเราเห็นสภาพของกุศลธรรมอกุศลธรรมต่างๆ จิตปัตปตจพระฉบับที่ว่าด้วยจิตเมื่อกลายเป็นพัฒนาไปหาธรรมในธรรมก็จะมีเรื่องของนิวรธาธรรมนิวรธาธรรมนี่ก็คือธรรมะนะตัวง่วงมันก็ต้องเห็นเห็นธรรมเห็นสภาพธรรมที่เป็นทอทงธรรมรอหรันเนื่องจากมีการกระทําก็คือกรรมฐานครับ ขอทหารสลามรมเคลื่อนมือสิบสีอย่างละโดยกายเห็นจิตดูจิตเห็นความคิดดูความคิดเห็นธรรมชาติก็สอนก็สรธรรมธรรมชาติของจิตเช่นความง่วงเหงาเ่านอนอย่างเป็นธรรมชาติที่เกิดกับจิตบางทีก็เกิดกับกายด้วยไม่ได้นอนมาหลายวันรากทำทางานทำการทเที่ยวเตะเรร่อน ท, ทีขับรถก็ลับใน อันตรายบางทีทํางานทําการจนตั้งไม่ได้พักต้องช่วยงานศพบางทีก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันงานแต่งงานพองานเลิกฟิลขาดเลยไอง่วงที่ร่างกายไม่ได้พักเราจะเห็นว่าเวลาปฏิบัติธรรมในง่วงที่จิตใจนะส่วนใหญ่จิตมันง่วง ในใจมันตกผวังทําแล้วมันทําันอยู่บทยาวๆนานๆมันก็ตกผวังแช่จิตมันจืดๆมันไม่ได้เข้าไปอยู่ในความคิดไม่บอกจากความคิดมันก็สงบเลยกันเนี่ยพอมันสงบแป๊บแล้วก็เออหลงก็เป็นในความสงบตกผวังบวกระสมาธิก็แช่อันนี้เราวนะจิตมันง่วง ออกจากความคิดกังวลออกจากความคิดกังวลอะไเป็นอย่างนั้นเลยแต่คิดแล้วก็ไม่งว่องคิดแล้วก็ไม่ง่ว ง, ว ง, วงอันนี้ก็คือลษณะของนามีวัรธรรมคิดสงสัยคิดเป็นกา ร, รพยาบาทคิดแล้วก็ฟุ้งซ่านกุฏิจากกุฏจากถินธรรมิทะบิขิจฉาการัฏหาปยาปาทะอันนี้ก็คือธรรมะมันแสดง เราก็เห็นมีวัฒธรรมต่างๆบ ง, งทีก็เป็นเรื่องของไปทางตาตากระทบรูปหูฟังเสียงก็หลุดหลงไปครึ่งรู้ครึ่งหลงสติสัมปัญญาทำงานเครื่องหนึ่งสติตามสัญชาตญาณก็ทำงานเครื่องหนึ่ง ห้าสครึ่งรู้ครึ่งหลงเมื่อเราสังเกตถึงอายณนะมีสัมผัสมีการกระทรบรู้สึกได้นี้เรียก ว, ว่ามันก็เห็นสภาพธรรมแต่ว่าอยู่ในหมวดที่เรียก ว, ว่าอายณะพภะฉบับที่เรียก ว, ว่าอายนะตาหูจมูกกายใจเราก็เริ่มสัมผัสได้ถึงผัสสะเวลาลมมื่กระทรบมวลเสียงมืกระทรบอย่างเงี้ยอ่มันก็มีอยู่ ให้เราได้เห็นล่องเห็นลอยลอยสีลอยทรรลอยสติลอยปัญญามันก็เลือกเป็นต่อมาเมื่อมันอายักนณะมากระทบปับ๊บเกี่ยวข้อกระตาหูจมูเรียนกายใจนะกระทบระ้หยุดแล้วกระทบแล้วก็สืบเนื่องต่อไปเป็นส ต, ตินะตาดูกับคิด คิดแล้วก็ปรุงมันมีระลึกนึกคิดแล้วก็ปรุงแต่งมันไปทันตอนไหนไปทันตอนปรุงเออหันไกล้จบแล้วเตรียมที่จะเป็นไฟลามทุ่งพร้อมที่จะมอดไหมอีกหลายสิ่งหลายอย่างร้ว่าเป็นวัตถุ ร, ระเบิดที่พร้อมจะระเบิดวาจาไปใส่ อารมณ์ที่เราพอใจไม่พอใจหรือว่าแสดงออกทางกายกระทบเป็นปัญหาจะเข้าไปผักไสหรือเข้าไปกอดรัดลั ด, ดเบี่ยงของกูของกูของ ก, องกูมันก็เป็นวงจรสกเนื่องต่อเนื่องดูแล้วก็รุงฟังแล้วก็ปรุงหรือว่าแค่คิดสัญญาจำได้หมรู้รู้แค่นึก อ้ออ้อนิดเดียวทันเลยเห็นตั๊บกระทบปั๊บรู้ทันทีระลึกได้ทันทีอันนี้สติปัฏฐานทํางานก็จะเห็นสักด้วยเห็นได้ยินสอได้ยินกลิ่นสอกลิ่นลดสอลดกายสัมผัสสอสัมผัสก็มีการพัฒนาเต็มที่สติปัฏฐานทํางานเต็มที่แยกแยะรูปตามนามธรรมคมชัดเลย หานาเป็นหมดที่เรียกว่าอา ญ, ญาณปักพระเราก็จะสนุกเห mm hmm. ็นธรรมชาติตามความเป็นจริงเกี่ยวข้องถูกต้องสนุกเรื่นเรือปลาโมด mm hmm. รู้สึกว่ามีบทเพลงของขนเขา mm hmm. บทเพลงของธรรมชาติที่ขับกล่อมทําให้รู้สึกว่าชีวิตของเรามานันโอแตกต่างจากที่เคยเป็น อามิตรสุขตันนิรามิตรสุขเปรียบเทียบได้ชัดความสุขภายในความสุขภายนอกสุขเผาสุขจี่ภายนอกสุขเกษมสารอยู่ข้างในตัวเราเกิดพลังขึ้นมาความมัน่นอบมั่นใจตรักตรหลวงสัญญาสังขารวิญญาณเวทนารูกปขันและแยกกลายเป็นเรื่องของขันปะพระ ขันห้าก็สติศีลสมาธิปัญญาที่มันเด่นขึ้นมาเป็นความปกติแล้วก็ตื่นตัวตื่นหลงพ่อเทศ่ า, าเจ้าจะนอนก็ได้ไม่นอนก็ได้ถ้านอนือร่างกายไม่ต้องพักใช้มันตรากตำเต็มที่แต่ไม่ต้องหลับก็ได้แตาไม่ได้ฟุ้งมีความสุข หลวงพเขียนการพูดไม่ได้นอนนะเนี่ยที่เห็นนอนนอน น, อ น, อนี่สเสวยวิมุตติอยู่บางทีก็เดินไปเดี๋ยวไปสเสวยวิมุตติสักหน่อยเดี๋ยวคืนนี้เราก็ไปสเสวยวิมุตติกันมั่งนะโยมไม่ต้องนอนเราไปสเสวยวิมุตติกันช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงเทศกาลนี่ยน ะ, สะเสวยวิมติสุขเข้าสัปดาห์ที่สองวิสาขบูชา หลังจากที่กระจายชัดโอ้บรรเป็นเดือนิน6ิบห้าคั่แต่ว่าปีนี้มาเป็นบรรเป็นเดือน7เดือนอนก็สมบัติบัญญาติของโลกมันก็เป็นอย่างนี้หลังจากที่เราจริญสติรู้น้ารู้ตัวมันจะต้องมีการเดินทางอย่างนี้แ เป็นทิศเป็นทางเป็นมักเป็นผลเป็นมักเป็นผลบางคนอาจจะบอกว่าปฏิบัติมานานแล้ว mm hmm. ร่วมทุกอยู่ร่วมโกรธ อ, อยู่แต่ว่า ม, mm hmm. มันก็ไม่รู้จะทําไงนะมันก็รู้อยู่่ทุกอยู่มันก็รู้อยู่ว่าหลงอยู่ถ้าทําไมไม่พัฒนา mm hmm. ก็คือเป็นมักไงนะมันเป็นมักแต่ว่ายังไม่เกิดผล mm hmm. ก็ต้องใส่ใจแยกกาย มนัสิการทำจใจให้แยบคายหยาดใจแหลกขวาให้สํารวมปินทรี่สองวเข้าไว้ไม่ดูได้ไม่ดูไม่ฟังได้ไม่ฟังจับตัวในให้ชัดก่อนความรู้สึกที่กายมีตัวรู้กับสิ่งที่ถูกรู้อยู่ความรู้กายม่ต้องเห็นเวทนาเวทนาคือเครื่องะระลึกรู้สิ่งที่ถูกรู้ แต่ตัวเราลึกก็คือตัวรู้ตัวสตวญญิตัวปัญญาตัวสติปัฏฐานคือตัวรู้แล้วมัรู้เป็นสติปัฏฐานปัดนะปัดไม่ใช่ปักนะไม่ใช่ปักกอไก่ปัดตวตัวาตากด อ, อกเด็กนะถ้เป็นด อ, อเด็กก็วัตถุรูปธรรมถ้าเป็นตอาตักเนี่ยก็คือนามธรรมนั่ะปัดรู้อย่าไปก่ออย่าไปยึดอย่าไปแช่รู้ล้ผ่านรู้ ล, ล้ผ่านรู้ ล, ล้ผ่านรู้ ล, ล้ผ่าน รู้แล้วรู้อีกรู้แล้วรู้อีกรู้ไปเรื่อยๆนะมันก็จึงเรียกว่าสนุกทีเดียวการที่มีประพต่างๆฉบับต่างๆบทต่างๆเราก็รู้โดยไม่ต้องสรุปวิธีรู้ไม่ต้องสรุปก็คือรู้ซื่อ บางทีมันมีอาการเกิดขึ้นมานิสัยของระนาผู้ดูตัวรู้ว่าตัวธรร ม, มวิยจรยะสอดส่องเลยท่านมัน ก, ก็โดดไปมัดเลยเหมือนกับเซนซิทีฟเซนซิทีฟคือมันมีความไวสูงมากไวที่จะรู้แต่มันรู้แบบรีบสรุปเราก็เลยบอกไม่รีบสรุปอะไรมันทั้งนั้นนะเห็นเป็นอาการ เหมือนกับ เ, เชื้อโรค h ฮสไฟเอ็ n วมี h ฮ n ฟันเอันอันนี้ h a s ไฟเอ็นวันนี่มันเซนซิทีฟก็คือมันมีเชื้อโรคแบกอร์มเข้าไปเสร็จแล้วภูมิต้านทานในตัวมันเซนซิทีฟเกินไปมันะดมกำลังไปแล้วนะไปที่ปอดอันนี้หมอพยาบาลก็จะรู้กันดีมันซัดเละเลย มันเซนซิทเกินไปมันไวเกินไปแนละ้วเราไม่รีบสรุปนะรู้รู้เฉยๆเริ่อเหมือนกับว่าบางทีมันเซนซิทีฟอย่างเงี้ยนะยกตัวอย่างเปรียบเหมือนกับเจ้าของเขาเลี้ยงลิงอยู่เจ้าของเลี้ยงลิงค่นี้ลิงนี่มันไวต่อการสรุปมันไม่เคยรอบคอบ แมงวันมันมาเกาะที่จมูกเจ้านายขณะนอนหลับเลิงกระลักเจ้านายมากเห็นแมลงบันมาเกาะก็เลยเอาไม้หน้าสามฟาดแมงวันเต็มที่ <c oughs> นึกออกไหมตกลงเป็นไงหนาแหกฟ <c oughs> ้าไม่รอบคอบดีสรุปเกินไป หรือเหมือนอย่างนี้ก็ได้เหมือนกับเจ้านายมีลูกน้องการนี้ลูกน้องมันก็มีหลายกลุ่มลูกน้องากา็กระนินท่าเจ้านายพอจะนายเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างโน้นลูกน้องคนสนิทสุดปลอดเลยรักเจ้านายมากเซนซิทีฟ ก็รีบสรุปเลยนะว่าไอที่เขาพูดกันนั้เป็นอย่างนี้ง น, งนี้มันไม่จริงมันไม่จริงนะสรุปเสร็จแล้วไปแจ้งนักข่าวแจ้งนักข่าวอะไรเกิดขึ้นวันลงขึ้นกรพาดหัวข่าวเลยมันก็เลยรู้กันหมดเลยเรื่องนิดเดียวเรื่องใหญ่เลยเนีย ตฉะนั้นไม่รีบสรุปอะไรมลยว่าฟังเฉยๆดูเฉยๆซื้อๆรู้ซื่อๆตัวเนี้ยนะอันนี้มันเป็นลักษณะของเทคนิคในการปฏิบัติทมแล้วก็เดินทางได้ไวด้อารมณ์ต่างๆทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นโดยที่ไม่ต้องไปหาดูแต่เกิดขึ้นมาเราต้องมีหลักหลักก็คือความเป็นปกติเรียกว่าชัยภูมิ ด, ดูจุดรู้จุดเห็นนันอยู่ตรงนั้นจุดผ่านด้วย ร, รู้จืดๆรู้จิตจืดตัวนี้นนภาษาหลงุงเตียนนะรู้จิตจืดและท้ายสุดมันจะเป็นธรรมรสปรากฏอยู่ตรงนั้ น, นเป็นความสุขเสริมสารจริงๆ mm hmm. อย่างเมื่อสองวันเทียบว่าเวลาเราคืนสู่ธรรมชาติอาหารแมโครไบโอติกเปิดกินได้ไม่เป็นยานตรงเนี้น มันเป็ระาของลิ้นมันจะคืนสู่ธรรมชาติเวลาเมื่อกินข้าวเปล่าจะหวานดื่มน้ำฝนมันจะหวานน้่เจือแต่มีรสหวานที่ลิ้นความกินธรรมชาติมากๆความเจอขาวมันจะข้าวจัดๆเลยมันแปลกไปเลยเพราะฉั้เป็นรสธรรมชาติทําเป็นรสที่มันไม่ใช่รสธรรมดาธรรมาสเข้มไอรสอ่อนๆกลาเป็นรสที่มันตัดขึ้นมา มันเหมือนกับความเป็นปกติเราเห็นว่ามันมีความสุขซ่อนอยู่อยนั้นเป็นความสุขเสกษมสารมันมักผลเรายอมมีนิพพานเรารู้รู้น้อมเข้ามาปฏิบัติเมื่อปฏิบัติถูกจิตก็เดินทางเป็นมักเป็นผลเป็นมักเป็นผลสุขดาเป็นมักสุขดาป็นผลสุติตาคามีมักสติตาคามีผลอนาคามีมักอนาคามีผลอรันตอมักอรันต์ผล สายสูตรก็คือเห็นตัวหลงคือตัวอวิชชาตัววิชาที่ชอบหลงก็ไปปรุงในความคิดต่างๆเราก็เชื่อจนทั่งเขากดเราก็กดด้วยเข้าสุขกขาสุขด้วยเขาทุกข์เราก็ทุกข์ด้วยเร า, าก็ทําตามจนกระทั่งเกิดกรรมเกิดวิปาขึา้นมาเราก็จึงมาเนี่ยนะตัดกรรมกันตัดกรรมโดยใช้กรรมฐาน ดีแล้วก็แล้วไปชั่วแล้วก็แล้วไปเริ่มต้นใหม่ดีกว่านวชีวันมาเช้าได้ยินหลวงพ่อสิปีไม่เคได้ยินหลวงพ่อทันเทศว่ากรรมาฐานนั้นเป็นการตัดกรรมตัดกรรมเพราะฉะนั้นการกระทํากรรมมาฐานไม่เกิดธรรมชาติขึ้นมาภายในจิตในใจของเรามันมีธรรมชาติก็เกิดธรรมรสต่างๆนะเป็นรสของความสุข ยิ่แปลกไปอามิ ส, สุขเราเคยทามามากแล้วกับวัตถุ ก, กรรมคุณแต่ตอนนี้เป็นนิลามิ ส, สุขสุขที่เกิดจากไปในกอร์อาทิจิตมันเป็นปกติเป็นจิตเติดรู้เบิงบานแล้วก็ป่องใสแจ่มใสยอยู่ในตัวบ็ดเสร็ก็พลาดไม่ได้กันลถไปกระบวนการนีนะ้ถือว่าพระศาสนาเนี่ยจากกลางๆเอียงคะเท่เร่ไปตอนปลายแล้วอายุไขยืได้ 5,000 ปี ก็ไม่รู้จะจริงหรือเปล่านะแต่ว่าตอนที่ฟังฟังฟังฟั ง, ฟ ง, ฟงมามันเป็นอย่างนั้นจริงๆผู้รู้รู้ว่าพระพ่อแม่กูบาอาจารย์ต่างก็ประดิษฐ์คำพูดแบบนี้กันเรฟังโดยแล้งก็เป็นไปได้อยู่เพราะว่าอะไรเป็นฝ่ายอากุศลนี่นจะตื่นได้ไวมากอะไรริมความไม่ดีมันตื่นไวมากแต่เป็นความดีมันช้ามันต้องเป็นเรื่องของการมีปัญญาจริงๆแล้วก็ผ่านโลกเรียกว่าบารามี เกิดบารมีขึ้นมามีเต็มเต็มในความดีแล้วก็ความคิดมันเห็นตรงสัมมาทิฏฐิแต่ส่วนใหญ่ไม่ใช่บารมีบอใบไม้ส ร, รรมมสระอารอเรือมอม้าสะอีส่วนใหญ่เป็นมานมีมอมา้ามานไม่ใช่บอใบไม้มานมีมันมี ม, น ม, มานแล้วก็แพ้มานทุกที มันชวนหลงก็หลงด้วยแต่จะเป็นบารมีในชวนกันรู้นะมันก็จะอยู่ในกลุ่มของกัรยมิทธานั้นมีน้อยนะนะที่จะชวนกันปฏิบัติน้อยจริงๆน ะ, ะังนั้นเราก็ไม่ลงทิศลงทางกันนะมรรคผลผนิพพานมันชัดเจนอยู่แล้วสัมมาทิฏฐนะิอย่างเงี้ยนะสัมมาสังกัปปนะเมื่อกี้เราสวดกันสัมมาวาจานะมันมีอยู่ ปิปัจจาธรรมาวาจาสำมากขมันตะสำมาวายามะสำมาสติสำมาสมาธิก็เข้าถึงกันเป็นหมวดที่มันไม่ต้องมาคิดเองพ่อแม่ครูอาจารย์อัตถคถาอาจารย์ต่างๆหรือแม้กระทั่งผู้รู้ในยุคสมัยก่อนๆก็เชื่อกันว่าพระโมกคายาจำแม่นที่สุดในโลก สมองดีจำได้หมดเลยเรื่องของพระไตรปิฎกเรื่องต่ังมาถึงยุคเราเราก็ไม่ใช่แค่เพียงเชื่อเป็นความงโง่หลงงมงายเฉยๆนะเราน้อมมาทำเราก็าำสิ่งที่เขาพูดกันอยู่มันก็มีจริงๆแต่ว่าเราเริ่มต้นที่ความรู้สึกตัวก่อนตเราไปใช้ความคิดแยยๆมากหรือว่าตำรับตำราเอาขึ้นหน้านก็กลายเป็นเรื่องที่บางทีก็เสียวเวลาเหมือนกัน ก็ใช้ลักๆปฏิบัติการขึ้นหน้าแล้วไปดูตําราที่หลังอาจจะเลยมีความรู้สึกตํำราสําคัญนะ mm. ก็เลยทําพระไตรปดฎกที่ลานหินโค้งแหละทำมาไว้แล้วก็เปิดในหน้าที่อ่านหน้าเดียวคนนาไปทํำนะไปนิพพานได้จริงๆหน้าเดียววะต้เงเว็นทุกเล่มมันมีทั้งหมดเล่มแรกเลยนะที่เป็นฉบับของบาลีจริงๆนะ ที่เมืองอโนราทัุระวัดอโรกาวิหารประเทศศรีลังกาถ้าใครมีโอการรสไปศรีลังกาก็ไปวัดนี้แหละมันมีพระไตรปิฎกฉบับแรกของโลกอยู่ีนนั่นจำนวน2 2งหมนหะน้าเป็นพระสูตรพระธรรมพระวินตะกาสาตกาปิฎกไป้วัตตะานะไตรคือ3มพระสูตรคือเป็นเรื่องของพระสูตรต่างๆฟอร์มูล่าฟอร์มูล่านะ เกี่ยวกับเรื่องของบาจาที่ถ่ายทอดกันว่าทําไงบรรลุธรรมเป็นพระสูตรหมดเลยเอย่างที่เราทํากันนี่มาหาติวฐานสูตรกาย า, า, านันาิติวฐานในวันนี้เราสัญผัสยาบะจะมีสองหมืเท่าไหร่สองพันแล้วก็มีสองมื่นหนึ่งพันแล้วมีเรื่องของร่างกายก็คือวินยัยพระวินยัยอันนี้ก็สองหมืหนึ่งพแล้วก็จะมีเรื่องของ เจิตก็เรียกว่าอภิธรรมะนะอภิธรรมนะจิตเจริญนี่สี่หมื่นสองพันรวมกันแล้วก็แปดหมื่นสี่พันพัตมคันนั่นแหละคันก็คือการรองรับรองรับเราก็เลยเย เ, เอาลู ป, ประคันเรารองรับเลยเป็นพระไตรปิฎกเหมือนกันศึกษาที่กายตรงๆล ง, ง, งไปเลยกายวาจาใจอะนะเราสังเกตเราคิดแล้วมันก็พูดไงโอ้อั น, นี้ที่พูดนี่เป็นพระสูตรอยู่เนี่ เวลาเราคิดอ๋อ น, นี่เอาไปทำเป็นหลารพิธรรมตาพิธามทั้งหมดเลยเพ<ม>ในความรู้สึกตัวถ้าเราศึกษาว่าตายพิดกเรียบร้อยแล้วเพราะวาองค์สมเด็จสัมมาเจ้าเนี่ยมันเป็นเดินหกไม่ได้เปิดหนังสืออ่านกลับมาดูกายผ่านลมหายใจหนึ่งแล้วแล้วท่านก็นได้บอกไว้อีกหลายบทแต่เราเชื่อมีจริงแล้วท่านพูดตรงพูดถูกแล้วก็พัไตายิดกมีความศักดิ์สิทธิ์ที่เรามีสิทธิ์ที่ทและไม่ทุกข์เหมือนกัน ก็จึงน่าสนใจทีเดียวมามีความเชื่อว่าพระเจ้าทำเรื่องยากง่ายไม่เช่นนั้นันเป็นเดือน8ถึงันเพินเดือนสไม่มีสาวกเกิดขึมาหลรอยห้า5ิรูปรอนแล้วแต่เป็นพระขีนาศพที่มาเจอกันในวันมาค้าบูชาผูห้หลานล้วนๆที่มากันโดยไม่ได้นัดหมายอาจจะมีส่วนที่ทยังหลงหลงอยู่ ไปได้มาก็อาจจะมีมีเป็นรายได้อยู่อยเงี้ยเมื่อสองพัน 2, ป, ปีผ่านไปสัญธรรมก็คงจะไม่เปลี่ยนแปลงแ ล, 8, แล้วแปรผันเวลาทําอย่างถูกต้องก็ต้องมีผลถูกต้องแล้วต่อเนื่องมีผลยังไงที่เราถูกต้องแล้วก็ต่อเนื่องเราต้องการให้น้ําเดือดเราก็ต้มหนึ่งวันวันละหนึ่งชั่วโมงอันนี้เรามีความต่อเนื่องมีผลเกิดขึ้นมาน้ําเดือด แต่ถ้าหากว่าเราต้มวันละหนึ่งนาทีต่อให้เป็นพันวันมันก็ไม่เกิดผลอะไรหรอกตัวแนีจะมีการเก็บอารมณ์เข้มจะมีความต่อเนื่องมากน้อยเพียงใดก็ต้องดูแลตัวเองให้คุ้มจุดอ่อนจุดไหนนะแต่เราวันยีบสี่ชั่วโมงดูเราก็อดรู้ร่วงให้ได้ตอนนี้ก็ผ่านไปจนั้งท้ายสุดแล้วท้ายสุด ของสี่สิบวันแล้วนั้นทําอะไรกันอยู่เดินยกกลมอยู่หรือไม่นั่งสร้างชะวะหลุด อ, อยู่หรือไม่ในรูปแบบนอกรูปแบบเก็บตกอยู่หรือไม่หรือว่าห่วงหาอยู่หากินกันอยู่มันมก็จะเป็นสภาวะของความไม่ถ่วเนเรื่องหรือเปล่าอย่างผลกว๋วยเป็นธรรมตันหาอยู่หรือไม่เราก็ไม่ว่ากั น, นใครเดินทางได้ถึงไหนเหนื่อยนักพักสักนิดนนก็ไม่ว่ากัน คนที่ไปแล้วถือว่าน่ามโนทนานเพราะว่าเราไม่รู้ประมาณไม่ได้วันหนึ่งวันหนึ่งผ่านไปเร็วเหลือเกินนีวันนี้กล้คิววัน แ, วแป๊บแป๊บหมดวันเหมือนก็นยังไม่ได้ทําอะไรเลยที่มันเสร็จงานการมากมายเดี๋วว่า ง, งานกรรมฐานเ น, ะนะี่ยเราก็จึงไม่เพลอหลงทิศหลงทางจากมรรคผลนิพพานกั น, น, ะนะ เ, เราพูดใหม่ว่าสมควรแก่เวลานะ ก็ท้ายสุดก็ขอให้สิ่งได้ีินได้ฟังนะก็เป็นสิ่งเดียวกันสิ่งที่เราทํามาเราก็เห็นตรงเหมือนกันดูกายเวลาเห็นจิตเห็นธรรมก็ขอให้อันเนี้ยมันเป็นขอบทางที่เราเดินทางแล้วก็ไปสู่การพ้นทุกสมควรแก่การปฏิบัติโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนท่านเตอ